بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين والعدوان إلا للظالمين و ص ل وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ل ى يوم الدين ثم ما بعد สุลามุอะลัยกุมวะรับห์ละตุลลอฮิวบารักะนี่เป็นารไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของโซลติยูนุสซึ่งเป็นการดีที่จะทบทวนเนื้อหาโดยรวมของสุรให้พวกเราได้ประเมินในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานี่ เป็นผลต่อองค์ความรู้และประสิทธิภาพของการเรียนรู้อุานมากน้อยแค่ไหนเพราะดูอายะที่อายะที่61อของวันนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องการทุกถทวนสุริยูนส จะต้องเป็นสุร่าที่ทำให้เราได้เห็นคุณค่าของอัลกุรอานแล้วจะต้องเป็นสุร่าที่ทำให้เราได้วางอัลกุรอานในตำแหน่งที่สร้างมาตรฐานคุณภาพสูงในชีวิตของพวกเราในฐานะผู้ศรัทธาในสากล ทุกอาชีพทุกตำแหน่งทุกงานการเขาจะมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาก็มีมาตรฐานคุณภาพาการประเมินการงานหรือคุณภาพงานมันจะเป็น กลไกลสำคัญที่จะพัฒนาพัฒนาสิ่งเหล่านั้นที่เราที่เราต้องการให้มีคุณภาพการงานที่มันจะผ่านพ้นไปโดยที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมันก็จะคงที่ละมาดเป็นวันวันนะ คนอ้ฉันละหมาดเป็นสิบสิบปีแล้วละหมาดมาหกสิบสิบปีแล้วแต่อพอดูเขาละหมาดเก็ละหมาดไม่มีคุณภาพรู้ได้เลยว่าเขาละหมาดเป็นวันวันเนี่ยไม่เคยประเมินไม่เคยตรวจสอบว่าการละหมาด ข, ของเขาเนี่ยมันมันดีขึ้น มากเอยแค่ไหนในทุกเรื่องนะครับสำหรับผู้ศรัทธานี่ก็จะต้องพยายามดูแลฉะนั้นในสุรยูนุสนี่เราได้ผ่านช่วงนะครับอายะหนึ่งสองสามหเจ็ดถึงสสถึงสสี่สิบห้าถึงยี่สบยี่ถึงย4 2สี่ยห้าถึงสสสอถึงสี่สสสี่ห้าถึงหสิบ สูรอยูนุสทั้งหมดมีมันหนึ่งร้อยเก้าอ่อะหนึ่งร้อเก้าอะซีซสักสักรอยสิบอะนะแสดงว่าเรามากกว่าครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมเลยครึ่งหนึ่งไปในเนื้อหาที่เราได้ผ่านไปในแต่ละแต่ละช่วงแต่ละขั้นตอนเนี่ยพยายามที่จะเน้นใน ข้อผูกพันระหว่างอายานี้คืออัลลอฮฺสุภาโนาลาให้กำลังใจท่านนบีและโดยปริยายถ้าเราให้กำลังใจนบีก็แสดงว่าให้กำลังใจกับพวกเราต้วยคือผู้ศรัทธาให้กำลังใจนบีในเรื่องอะไรในเรื่องที่นบีเอาคุอ่านมาเผยแพร่มาเทศนาแล้วก็ถูกปฏิเสธนบีน้อยใจนบีเสียใจฉะนั้น ถ้าเราไม่ได้ทําหน้าที่เหมือนน บ, บีในการเผยแพร่คุตตานในการเทศนาคําสอนของน บ, บีเองอะนะเราเราจะต้องรับการปลอบใจมหมายถึง <c oughs> ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้มีภารกิจเหมือนน บ, บีไงเราไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียใจว่ามีคนมีคนเขาล้มตายทุกวันแล้วก็ไม่ได้รู้สศธสนาไม่ได้รับอิสลามเราไม่เคย ประเมินเวลาชีวิตของเราที่ไม่เคยมีผลงานในการดาว่าในการเผยแพร่อิสลามคําสอนคําสั่งสอนของอัลกุรอานเราไม่เคยคิดว่ามันมันมันเป็นหน้าที่อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเราจึงจะไม่ไม่เสียดายและไม่เสียใจไงไม่น้อยใจไงแล้วอญาณี่มันจะเป็นการตอบใจเราตรงไหน ฉะนั้นในสุรยูนุสนี่ตลอดสุรานีผมพยายามที่จะให้พวกเราเนี่ยได้ตระหนักตระหนักในในบทบาทของท่านอับดุลล ه ฮฺซลที่อัลลให้แบกภาระอันหนักหน่วงของอัลกุรอานอินนัสอินนัสสอินนัสนุลกีอาลัยก์กอลันีลเป็น เป็นะดารักที่หนักนวงที่มีภาระที่หนักอึง้งท่านนาบีแบกอามาน่าว่าว่าจะต้องให้คำสั่งสอนของพระเจ้านี่มอไปยังสากลละโลกเท่าที่ท่านนาบีทำได้ในปัจจัยที่ท่านนาบีมีอยู่เนี่ยและในการสื่อสารกับคนอื่นโดยใช้คุอ่านี่เป็ น, นกลไกในการสื่อสารกับเขาเนี่ย ฟิดแบกเป็การโต้กลับของคนที่ปฏิเสธและไม่ยอมรับในคำเชิญชวนคำเรียกร้องของท่านนาบีสุลต่าละฮะอัลลอมนี่คือเอ่อฟีลลิ่งความรู้สึกที่พวกเราต้องต้องนึกถึงท่านนาบีเรื่องนี้ตลอดนะเพราะมันจะมีแรงบันดาลใจสำคัญที่จะ ให้เราได้นึกถึงการเสียสละของท่านนาบีขอแต่ท่านนาบีไม่ได้ทําแบบนี้อัลกุรอานก็คงอยู่ในทรงอกของท่านนาบีท่นานบีทนบีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีบทบาทในการที่จะเผยแพร่เผยแพร่คําสอนของอัลกุรอานกับสากลละโลก แต่นบ<ป>ีก็ไม่ได้ทําแบบนี้เนีเพราะนบีรู้ว il ่ามันบาปการที่ท่านนบีไม่ไม่ขยันเผยแพร่คําสอนคนพูดอ่านนี่มันเป็นเรื il ak, ่องบาปไอ้เหฮันนบีบัลลิษมาอุนซิลัยเลมิรรบบิกบัลลิษตงตัปลี่ยเผยแพร่สิ่งที่ถูกประทานลงมาอย่างเจ้ามาอุนซิลัยเลิกมิรรบบิก็จากองค์พระอวบิบาลของเจ้าฝ่อิสลัมตะฝันถ้าเจ้าไม่ได้ทําแล้วไส ไม่ได้ทำตามที่ Allah สั่งไว้ในการตั้บเลี้ในการดาว่าในการเผยแพร่ฝ่าบาทเลิกตาริสาลวต่เจ้าถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่คำสอนของกุรอานอายะห์อกิจึงเป็นอายะห์ที่ Allah س ว ح ุ ن ه าละ ت ع ا า ى จะให้พวกเราได้มา ทบทวนมโนภาพที่ผู้ศรัทธาต้องมีตลอดเวลาเกี่ยวกับเกี่ยวกับอัลลอ์นึกถึงอัลล์นี่นึกถึงเดชานุภาพของพระเจ้าที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเวลานึกถึงอัลลอ์เราไม่สามารถจินตนาการว่าพระเจ้าของเรานี่ เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนี่เราจินตนาการไม่ได้เราจะมีความสามารถในการจินตนาการแค่ไหนนี้ก็คงจินตนาการไม่ถึงหรอกจึงต้องหยุดเราจะได้ยินอายะอะไรที่เกี่ยวกับอัลลอฮ์นี่เราก็จะเชื่อโดยที่ไม่ต้องเอาจินตนาการของเรามาเปรียบเทียบเพราะเขาบอกว่ามโนภาพของมนุษย์เนี่ยมักจะอิงอ้างอิง ถึงสิ่งที่มีอยู่ในโลกแล้วนเวลาอัลลอฮ์บอกว่าหัวเสมาอัลบาซีรและพระองค์ผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นถ้าเราจะจินตนาการนะถ้าเราจะจินตนาการนะทรงได้ยินเราก็ได้ยินว่ามีหูเห็นมีดวงตาถ้าเราไปเชื่อแบบนี้ก็ผิดอีกเพราะอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราเปรียบเทียบ่ย แค่นั้นในการจินตนาการพระเจ้าในสิ่งที่มันเหมือนมนุษย์เดียเราต้องตัดตัดบมดไปเลยแต่ในสิ่งที่เราสามารถจินตนาการได้แล้วมันไม่กระทบการเปรียบเทียบอนี้ยว่าเราเปรียบเทียบแล้วไม่กระทบเช่นจะนึกถึงพระเจ้านึกถึงเดชานุภาพอัลลอฮ์นึกถึงความสามารถของอัลลอฮ์ในการที่จะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและนี่คือจุดเ ร, ริ่มต้นของอายะห์หกสิบเอ็ดของท่อนเนี้ย ที่ต้องการให้เราได้เชื่อว่าอัลลอฮ์ سبحانه และว็ต์อาลานี่รับรู้ว่าที่เราได้อ่านกุตัานไปที่เรากําลังสวามีพักต่อพระองค์นี่อัลละฮ์รู้นะข้อแท้จริงที่พวกเจ้ากําลังทําอยู่มันเป็นยังไงจริงหรือเปล่าที่พวกเจ้านี่อ้างว่าอ่านกุตัานกันแล้วก็ศรัทธานี่จริงปะศรัทธาจริงปะที่พวกเราอาจจะอ้างกับตัวเองนะว่าจฉันนี่กับอัลลอฮ์นี่ความเชื่ออิมันของฉันนี่เลื่อมใส เราคิดว่าความเชื่อของเรากรด็ดีวาจาของเรากรด็ดีการกระทำเยบาดาอะไรต่างๆเนี่ยเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วเอารู้สึกว่าชีวิตของเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธานี่อออมันครบถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูสิตัวแบบนี้เนี่ยโอ้ยม้วงเดีย๋ยดูฉันหนิตอนไปงานนี้กายคือไปงานสุราห์นี่นึ่าครบครบชุดเลยทุกอย่างนี่ บางทีเขาสับสนนะผมเป็นคนธรรมดานะแต่แต่ง ต, ต, ต, ตัวแบบนี้นะ่บางคนก็ยังสับสนเรียกผมอาจารย์นี่ดูฉันสิบางคนเนี่ยเขาเนียกว่าการประเมินประมาณตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าตัวเอ ง, เองประเมินตัวเอง <c ười> ไม่ใช่คือเราเนี่ต้องพยายามออกตัวถอนตัวจากสถานะเป็นผู้ เป็นผู้ตรวจแผ่นดินไม่ใช่ไม่ใช่เราเรานี่ต้องพยายามพยายามมองภาพเห็นภาพว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ตรวจนะและการที่เราไม่รู้ไม่สามารถการันตีให้ตัวเองว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผูตรวจที่อัลลอฮ์ Allah ประเมินเรานี่อัลลอฮ์พอพระทยรัยหรือเปล่ามันผ่านไหมกับอัลลอฮ์นี่ผ่านไหมเราไม่รู้แต่อัลลอฮ์ต้องการจุดนี้เนะี่ยอยยจุดที่เราได้ประเมินตัวเองที่ตรวจสอบตัวเองแล้วก็ อุตกกังวลว่าเออที่เราทำกันเนี่ยมันผ่านหรือไม่ผ่านอันในเมื่อเราเราคํานึงถึงการมองเห็นของอัลลอฮ์มากกว่าการมองเห็นของเราหรือการมองเห็นของมนุษย์เราคํหนึ่งถึงมาตรฐานของพระเจ้ามากกว่ามาตรฐานของมนุษย์แค่นี้คือจุดที่อัลลอ์ต้องการให้เกิดขึ้นและเรื่องนี้ที่จะทำให้ผลตอบแทนที่อัลลอ์จะมอบกับเราเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่พึงพอใจ ผมจะพยายามวันนี้นี่ให้อธิบายทั้ ง, ทนนงสีอ่อายะนะหกท่อนเนี้หกสิบเอ็ดหกสิบ ส, ส, สองสิบสามหสิบสี่สี่อายะจะพยายามนะอัลลอฮเพราะไฟ่ฝันไฟ่ฝันว่ายูนัสสุรจยู น, สนสัสน่าจะเสร็จก่อนเดลร์มอโดจะได้บ้มงเดร์มอโดเล็กประมาณห้าเดือน เราอยู่ระ บ, บียกวันนะระเ บ, บียสานีจดจังหวดสานีเราจับ شعب ะท่าเดือนถ้าไม่มีอะไรที่ผิดปกตินะอะไรผิดปกติอะอย่างเช่นเขาเปิดพรมแดนให้ไปที่ฮาที่กาซานี่ก็ใบบายนะไม่ไ ม, ไม่มีตั้งสีนะจะบอกให้เรืนะ่องหน้าถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะนะหมายถึงว่ามีความต่อเนื่องนะเพราะเราสิ่งที่เราทําหน้าที่ได้ก็ทําหน้าที่แต่ถ้ามีหน้าที่อย่างอื่นมานี่ก็ต้องอหน้าที่ที่สำคัญ شيخ j า m a l u d d i n Al Qasimi นี่เป็นอัลมาที่เมืองชามนี่เสียชีวิตได้กว่าปีละอขาเห็นคนคนนั่งนั่งร้านกาแฟประเทศอารับนี่ร้านกาแฟนี่มันจะมันจะคล้ายๆคาราโอเกะร้านกาแฟร้านน้าชาเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงนะแต่เพลงแบบเพลงคลาสสิกกันอ่ะมีกาแฟน้ําชาก็มีหมักรุกมีบาร์กูอะไรแบบนี้ ก็เห็นคนนั่งราา้านกาแฟกันเยอะมากเลยอะ่ะเยอะมากแล้วก็นั่งกันคือออกไปละหมาดที่มัสยิดก็เจอคนนั่งกันอยู่นั่งกินช็กินกาแฟกินกกน้นําชาเล่นกันเล่งกันร้องเพลงกันกลับบ้านนี่น ก, ก็ยังนั่งกันอยู่ออกไปละหมาดที่ก๊อตตูนี่ยยังนั่งกันอยู่เขาก็บอกว่าถ้าข้าพเจ้านี่มีเงินไปซื้อเวลาของพวกนี้เนี่ยเวลาในชีวิตอะนะข้าพเจ้าจะซื้อเวลาของผู้ศรัทธานี่มันจํากัด และหน้าที่ที่เราต้องทำนี่มันเยอะกว่าเวลาฉะนั้นเราต้องพยายามบริหารเวลาของเราเนี่ยให้ดีที่สุดลระสุภานุวาราจึงบอกพวกเราว่าจุดสาคัญของการงานไม่ใช่ตัวชิ้นงานจุดสาคัญของการงานนี่คือการที่เราลงมือทำงานชิ้นนั้นนะ่ะให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ ไม่ใช่ตัวชิ้นงานบางคนอากะนี้ไง ก, ก, ก, ก, ก็ให้ทําไม่ใช่หรอไม่ใช่สมมติว่าเราลงมือละหมาดทำล ะ, ะนั่นแล้วมาละหมาดแล้วก็เสียชีวิตในรากาที่สองละหมาดดูฮรีละหมาดอิชายเงี้ยแล้วเสียชีวิตในรากาที่สองโดยภาพรวมนี่นะถ้าจะวิจารณ์คนที่มาละหมาด ไอชาสีรก้าดละก็ได้ละหมาด ส, สองรกดับเนี่ยเราจะได้กว่าการงานของเขาเนี่ไม่ประสบความสําเร็จไม่ครบถูกต้องปะไม่ครบก็อัลลอฮให้ละหมาดสีแต่เข้าไปละหมาดสองตายซะก่อนไม่ครบแต่ถ้าความตั้งใจของเขาในการละหมาดเนียดของเขาในการที่จะทําการละหมาดจนถึง วาระสุดท้ายของการละหมาดความบริสุทธิ์ใจของเขาในการละหมาดนอัลลอสุบฮานาวดาลังานของเขาเนี่ยขณะที่เขาเริ่มต้นตั้งตั้งตั้งแต่ศรัทธาอาบน้ำละหมาดแล้วแล้วก็ตามมาเนี่ยงานทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นชิ้นงานที่อัลลอพฺผอภัยพระผู้ศรัทธานี้เชื่อมัน่น ในทุกช eh ิ้นงานที่เขาทำนี่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานาอวะดาลาเฝ้าดูอยู่ตรวจสอบอยู่หนึ่งในพระนามของอัลลอนี่อารรีบผู้ทรงเฝ้าดูรักีบหรือจะแปลว่าผู้ตรวจสอบผู้ทรงตรวจสอบภาษาอ р นี่ถ้าเป็นสถาบันการตรวจสอบ تُرَوَصَّابِيَّ تُلَكَانْ ت รวจสอบ قيامه، ขอ م ا ل ع ة ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ ت ف ي ُ و ن فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا تأو م أيوه ي ر เรื่องหนึ่งเรื่องใ ช่นนินเรื่องหนึ่งชน่นเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วก็แปลตามคือตามศัพท์เลยนะศัพ์นี่แปลว่านั่นก็สับคือเรียนศัพท์ก็ให้ให้มันเข้ากันเลยเขาก็นามกับนามกริยากับกริยานี่แปลเปะ๊ปะและว่ามาตากุลหรือเจ้ามิได้อยู่แตีจริงถ้ถ้าจะแปลตามความหมายอ่ะนะเจ้าในอยู่ในเรื่องหนึ่ ง, เ ร, งเรื่องใดมันก็ได้ แต่นี้เขาจะแปลตามมีปฏิเสธก็ให้มีมิได้มาตะกูนหนูเจ้าเจ้ามิได้อยู่ในเรืร่องหนึ่งเรื่องใดพี่ชายว่ามาตัลูมินหูมิงคุรานินและเจ้ามิได้อ่านบางส่วนจากมันในอัลกุรอานเอาไหมว่มาตัลูมินหูมิงคุรานินและเจ้ามิได้อ่านบางส่วนจากมันในอัลกุรอาน ตามอักษรเลยว่มาและเจ้ามิได้อ่านว่มาตัดลูและเจ้ามิได้อ่านตัดลูนี่ไงมานี่มิได้ตตดลู่แปลว่าอ่านอ่ากุศลนั่นะมิหนูเขาก็เลมิหนูนี่เนี่ยสีน้ำเงินนี่นะบางส่วนจากมันซึ่งมินูนี่มันมาก่อนกุอานว่ามาตัดลูมิหนูมินกุศลนินบางส่วนจากมันจากไหนอ่ะ บางส่วนจากไหนอะจากอัลกุรอานอันนี้ที่เราเข้าใจกันนะและเจ้าไม่ได้อ่านบางส่วนจากอัลกุรอานในอัลกุรอานก็ก็ถามแล้วอะบางส่วนจากมันมันนี่คืออะไรกุรอานเอาเอามันตัดไปนี่แล้วก็ใส่กุรอานใช่ไหมและเจ้ามีได้อ่านบางส่วนจากอัลกุรอานในอัลกุรอานโอเคไหมอะ ก็แแม่งแแม่งเหมือน น, น, นะอันนี้เราไม่ได้วิจารณ์คุรานไม่คัมแปลงไงคําแปลแล้วก็คือผู้แปลนี่เขาไม่ผิดหรอกเขาไม่ผิดหรือไม่ได้เรียกว่าไม่คาดเคลื่อนหรือไม่พลาดเนี่ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องเคยบอกกับพี่น้องว่าเรื่องทัศนะของผู้แปลในการแปลกุรานสำนักแปลเนี่ยส่วนมากกันนะคนที่แปลนี่ภาษาไทยเนี่ยโดยเฉพาะจะมาแปล อัลกุรอานเนี่ยเขาจะเขาจะระวะัดระมัดระวังว่าเออต้องแปลให้มันเป๊ะๆคือถ้ามีปฏิเสธก็ต้องมีแปลเนี่ยก็ต้องมีปฏิเสธจะแปลเนื้อหาความหมายนี่ไม่ได้บางทัศนะหรือสำนักแปลเนี่ยเขาเอาเนื้อหาที่คนฟังแล้วเข้าใจว่ามันไม่คาดเคลื่อนน่ะไม่คาดเคลื่อนแม้แต่น้อยแต่สำนวนเนี่ยต้องเป็นสำนวนไทย พอนี่เรากำลังแปลคุตัานซึ่งเป็นภาษาอับเนี่ยมาเป็นภาษาไทยให้คนไทยคนที่อ่านภาษาไทยเนี่ยได้รู้เรื่องเรื่อยงน้อยเนี่ยเข้าใจแล้วมันมันมันไม่ได้เป็นสำนวนหรือเป็นโครงสร้างคำศัพท์ที่หรือประโยคที่มันมันมันไม่นิ่ง่ะแล้วเจ้าไม่ได้อ่านบางส่วนจากมันในสำนวนภาษาอับอะนะ การที่เราจะมีสพนามพูดถึงสิ่งที่จะมาหลังจากนั้นอันนี้ได้ในสำนวนภาษารับนี้ได้ว่ามาตัดลูมินหูมินกุรานเจ้าที่อ่านส่วนหนึ่งของคุ ร, ครา น, นี่ในอัลุรานนี่อันนี้สำนวนภาษารับนี้ไม่คือเป็นสำนวนเรียบง่ายสวยงามไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะมาแปลแบบนี้เนี่ยสพนามแบบเนี้ยในสำนวนภาษาไทยเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยเรียบรอ เพราะฉะนั้นอาจารย์ดิเรกกุลและเริสวัตอาจารย์นิบรเฮมกุเรชีที่เขามีหนังสือแปลของเขาอะนะแล้วก็เรื่องเรื่องภาษาไทยสำนวนนี่เขาเก่งเขาแปลงี้เขาบอกว่าและเจ้ามิได้อ่านกุรานจบและเจ้ามิได้อ่านคุรานและเจ้ามิได้อยู่ในเรื่องหนึง่งเรื่องใด ละเจะไม่ได้อา่านอัลกุรอานเว้นแต่เดี๋ยวเราจะเข้าใจต่อไปเราอมาอธิบายสำนวนโดยรวมที่หลังแต่นี้แค่ตัวในท่อนนี้มีมีความละเอียดละเอียดในเรื่องการแปลแบบนี้ทำให้สำนวนอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบร้อยแต่เราตามนโยบายนนะเราเอาตามสำนวนที่เราใช้หลักสูตรอยู่แล้วในะความหมายกุรอานของ สมาคมนักเรียนก็อรับเป็นหลักแล้วก็เรื่องอื่นถ้าได้มีโอกาสมาเปรียบเทียบแล้วก็มาบอกกับพี่น้องให้พี่น้องได้พิจารณาแล้วก็ผมก็แสดงความเห็นเล็กน้อยนะและเจ้ามิได้อ่านบางส่วนจากมันในอัลกุรอานเวลาจะมาลู่ในมิน้ำมาเรนและพวกท่านมิได้กระทำการใดๆดเว้นแต่เราได้เป็นพยานแก่พวกท่านอิลลากุนากุมชูฮด เว้นแต่เราได้เป ah. an. ็นพยานสุดันสุดเาฟอของช ا ه د شاهد หมายว่าพยานอาฉาดอัลลอฮ์อิล่าอลลอฮ์อดขอปฏิญาณตนในหมายนี้ว่าขอยืนยันยืนยันพยานเนี่ยเขายืนยันในสิ่งที่เขาจะให้การพยานแชฮิด ขอยินยันวัวข้าพเจ้าได้เห็นได้ได้ยินเขาพูแชฮิตจะเป็นพยานนี่หมายถึงว่าเราสุภานุวาตาล่ทรงรู้ทรงได้ยินทรงเห็นเรื่องหนึง่งเรื่องใดที่พวกเจ้ากําลังอยู่ในเรื่องนั้นนั้นนะ่ะหรือพวกเจ้ากําลังอ่านกุตอ้นท่านนบีสลุสลต่านกำลังอ่านกุตัานอยู่หรือพวกเจ้าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย กระทำใดกระทําการใด้อัลลอฮฺ سبحانه แะ تعالى เป็นพยานแก่พวกท่านชูฮุดันอิสตูฟิยูนบีนี่นี่คือนี่คือนี่คือประโยคประโยคเพชที่จะทำให้ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยถ้าลึกซึ้งอ่ะในในในอายะเนี่ยคนลุกเลย อิตฟดูนีที่อัลลอฮเป็นพยานีในขณะที่พวกท่านกำลังงวนอยู่ในเรื่องนั้นมุ่นคือกำลังลงมือทำอยู่เนี่ยอัลลอฮ์สงเป็นพยานหมายถึงว่าอัลลอ์สงรู้ในขณะที่กำลังทำมานะอัลล์สงรู้รู้อะไร เรื่องหนึ่งเรื่องใดกว้างขนาดนี้เรื่องหนึ่งทุกเรื่องเลยนะดีหรือดีหรือไม่ดีเนะี่ยเราอยู่ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดในชีวิตของเราเนี่ยกำลังวุ่นอยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องใดในขณะที่เรากำลังง่วนอยู่กำลังลงมือกำลังประกอบกำลังอยู่ในบรรยากาศของเรื่องนั้นๆอัลลอฮฺสุบฮานาอูวาดะละเป็นพยาน ส่วนมากนี่คําว่าแชฮิตนี่ผู้เป็นพยานนี่งานของแชฮิตนี่คือ ش ه ا ดะงานของพยานเนี่ยคือการให้การน่ะนะการให้การเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนท่านนาบีตัดสินคดีหนึ่งและมีพยานมาให้การนาบีก็เตือนพยานคนนั้นบอกว่าฮะรอไอต่ชั่มสัก ดูเหมือนว่าพยานไม่มั่นใจใช่หรือไม่ใช่เห็นหรือไม่เห็นบางทีพยานถูกถามว่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเห็นมันเกิดขึ้นไหมดูเหมือนว่ามามาดูเหมือนว่ามันคล้ายๆจะเป็นแบบนี้นี่ไปใช้คำนี้เนี่ยบาลังนิดาเลยนะเห็นไหมคนนี้เข้ามาหยิบตังออกไปเนี่ย มันก็ประมาณนี้แหละท่าน <c oughs> สั่งเข้ากลงเลยนะมามาทำเล่นกับอีวักษาแบบนี้เนี่ยเขาถามถามทีม่ต้องตอบเห็นหรือไม่เห็นใช่หรือไม่ใช่คนนี้ใช่หรือไม่ใช่จะใชไอ้ไอพวกคำพูดสีเทาเนี่ยมันประมาณนั้นนะท่านนี่นี่ไม่ไดี ไม่ได้ช่างไม่ได้ช่างข้าวสาลีนะกี่กิโลเนี่ยประมาณสักโลหนึ่งประมาณถ้าเร า, าบอกว่า s ู uh u h u n is tufidu นะพี่อลัลลอฮ์เป็นพยานขณะที่กําลังลงมือทํานี่นะกําลังอยู่กับเรื่องเนี้ยอยู่ในบรรยากาศในเรื่องนั้นนะ่ะพี่น้องลองนึกภาพสิวะทุกงานที่เราทํานี่อลัลลอฮ์สุภาโนะอัลลอฮ์รู้กาลังละหมาดกาลังอาบน้ำละหมาดกาลังทํานู่นทํานี่ย จะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วหรือไม่หรือเลวทั้งหมดนี่อัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺทรงรู้หมดและการที่อัลลอหฺบอกว่าชูฮูนั้นเป็นพยานนี่แสดงว่าทุกเรื่องที่อัลลอฮฺจะเป็นพยานนี่นะเรื่องนั้นนะ่ะเป็นคดีวันเกียร์มาเราจะเคลียกี่คดีละ่ะอันในเมื่ออัลลอฮฺใช้คําเนี่ยที่เขามักจะใช้ เป็นคำศัพท์เฉพาะไงพยานคำว่าพยานพยานนะ่ะมันต้องมีโจทย์มีจำเลยมีมีคดีใช่ไหมไม่งั้นเขาไม่ใช่พยานหรอกพยานเนี่ยมันต้องมีเรื่องคู่กรณีของเรานี่คือใครกันแล้วแต่ถ้าเป็นสิทธิของลูกหลานอาดัมนี่เราจะมีคู่คู่กรณีที่เป็นลูกหลานอาดัมแล้วเราจะเป็นพยาน และแต่คู่กรณีของเรานี่คืออัลลอฮ์ะเราไปล่วงเกินละเมิดหลักการของพระเจา้าคู่กรณีของเรานี่คืออัลลอฮ์เราเราเห็นเองหม่ถึงอัลลอฮ์จะเป็นโจทย์เราเป็นจำเลยเรื่องมันมั น, ม, นมันค่อนข้างคือเหนือที่เราจะจินตนาการความยิ่งใหญ่ของมันได้ is to f e d u na fee นขณะที่พวกท่านเนี่ยกำลังง่วนอยู่ในเรื่องนั้นนัะม่วนคำสับนี้อาจารยธรก็เป็นคนแรกที่ใช้ง่วนเคยได้ยินไหม่วน وما يعزبه عن ربي من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب م ب ي ตอนนี้เนี่ยนะเวลาใครนึกจะไปปุน่นตู้เอทอมแม่เขารู้สิว่าตู้เอทอมนี่มันมีกล้องใช่ไหมทำยังไงอ่ะโอ้เนี่ยนะแบบเนี้ยนะไปขโมยแล้วก็ทำแบบเนี้ยนะ <c oughs> เขาจะใส่ฮนะใส่ไอ้มงะนะ หรือแกลบอะไรสักอย่างนีปิดให้มันสนิทกล้องนี่มันก็ถ่ายหมดเลยนะแต่เอาเรื่องกับมันไม่ได้ใครอ่ะมันเป็นใครอ่ะเห็นเห็นนะกล้องเห็นเห็นเลยนะมีคนนี่ยําลังต้นกําลังทํากาลังดแล้วก็เอาตังค์ไปเห็นเห็นชัดๆเลยแต่เป็นใครอ่ะเทคโนโลยีบางอย่างนี่คือเทคโนโลยีเนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างไงมนุษย์ก็ก็มีวิธีในการที่จะหลอกเทคโนโลยี ที่มนุษย์สร้างโดยตัวเอง Allah ก็บอกสําหรับ Allah นี่นะในฐานะที่พระองค์จะเป็นสูหูดันจะเป็นพยานนะอย่าคิดว่าความรอบรู้ของ Allah นี่มีรู้ว่ามีบกพร่องมอาจอุ้มบุตรบิกามิฟกาลดรระต่ไม่มี และจะไม่มีรอดพ้นจากพระเจ้าของเจ้าคือการกระทำใดๆต่างๆเนี่ยเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องใดการอ่านกูดอ่านหรือการงานใดๆที่พวกเจ้าง่วนลงมือทำนี่นะมันจะไม่รอดพ้นจากพระจากพระเจ้าของเจ้าการงานใดๆเนี่ยที่พวกเราลงมือทำแม้ว่าการงานนั้นน่นะมีน้ําหนักเท่าทุลี มีน้ำหนักเท่าทุลีมันก็จะไม่รอดพ้นทั้งในแผ่นดินและในชั้นฟ้าที่ไหนก็ตามอันนี้เขาบอกว่ารอดพ้นรอดเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีใครกำลังไล่ล่าใช่ไหมไล่ล่าพอผู้ที่ไล่ล่านี่จับไม่ได้นี่เขาก็เลยใช้คำว่ารอด รอดพ้นแต่นี้ไม่นมีไล่ล่านี่มีไล่ล่าปะไม่มีเพราะฉะนั้นอาจารย์ดิเรกใช้คำว่าและไม่มีสิ่งที่จะรอดรินรนะี่รอดพ้นนะรอดเรีนเปลี่ยนเลยคำมันเปลี่ยนไปเลยนะ อำ่เรอดเร้นนี่หมายถึงว่าไม่มีอะไรที่จะหลุดจากการที่อัลลอ์จะบันทึกที่จะทรงบันทึกแม้ว่าจะบันทึกภาพบันทึกเรื่องบันทึกคดีบันทึกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เร้นมันจะไม่เป็นความลับสำหรับอัลลอ์อีกไอ้หนึงอัลลอฮ์บอกว่าอย่าละมุสิร์เรอฟพระองค์ทรงรู้อัซซิรความลับอัลฟาและที่มันลับ กว่าความลับอัคเฝมินัสซิสิ่งที่มันลับกว่าความลับเรารู้มันจะไม่รอดเล่นจากพระเจ้าของพวกเจ้าวามมายอัลุบาร์รับบิกะจากองค์พระบูญอภิบาลของเจ้ามินมิสกาลิดาร์รตินที่มีน้ําหนักเท่าทุลีมิสกาลน้ําหนักมิสกาล รากสาองมันเนี่ยเสี้ยวนี้ยวนน้ำหนักสรรอันนี้เขาแปลเขาแปลว่าทุลีทุลีละอองฝุ่นเวลามีแสงแดดแล้วก็มีพวกละออง ท, ที่มันที่มันอยู่นไอไอเล็กๆเนี่นั่น่คก็เรียกทุลีในภาษาอับนีษก็มีหนึ่งในความหมายของสรรนี้คือก็คือละอองที่เห็นในแสงละอองฝุ่นอะ ซึ่งมันเล็กที่สุดแล้วนะนี่หนึ่งทศนะตของคําว่าวนร้อบางทัศนะบอกว่าร้อคือมดเพอมดนี่คือสัตว์ที่เล็กที่สุดบางทีมดมดมดมองไม่เห็นนะ่ะมดมันเล็กมากอะไรมดอะไรมดพันอะไรนะที่มันมองไม่เห็นนะ่ะชื่ออะไรนะมดตัวไหนวะไห้ยมันตัวเล็กมากอะ กินเหม็นน่ะเล็ก็กมดมดเหม็นปะฮะมดดําไม่ใช่มันมีมันมีมันมีมดที่มันตัวมันเหม็นเหม็นน่อยอะมดเหม็นเลยใช่ปะเออเขาเรีกมดเหม็นใช่ปะนั่นแหะเล็กมากนัเล็กเออเล็กกว่ามดไอไอไมดเนี่ยมดทั่วใบเนี่ยเล็กมากนั่นแหะมดตัวเล็กเล็กที่สุดเนี่ยนะเขาเรียกจระสาระนี่เรียกว่าระ แต่มีอุลามาโดยเฉพาะผู้รู้ที่เขาอยากจะอธิบายอัลกุรอานด้วยวิธีที่ร่วมสมัยเนี่ยเขาบอกว่าจรรันี่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาเขาไปไปค้นหาว่าสิ่งที่เล็กที่สุดอนุมูลที่เล็กที่สุดของวัตถุต่างๆเนี่ยปรามานู เล็กที่สุดภาษาอนี่เขาเรียกเดรร์หมายถึงว่าผู้รู้ฟิสิกภาษาอ раб ที่เป็นชาวอับเนี่ยปารมานูเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกเดรร์เขาก็เลยมาอธิบายบอกว่าอ๋อสิ่งเล็กที่สุดเนี่ยอัลลอฮ์รู้หมดแม้กระทั่งเขาก็เลยอธิบายเนี่ยเดรร์นี่นะแม้กระทั่งน้ำหนักเท่ากับปารมานูอัลลอฮ์ก็รู้อัลลอฮ์ก็เห็นซึ่งมันเล็กที่สุดแล้วนะแต่อัลลอฮ์ได้บอกว่า ทั้งในแผ่นดินหมายถึงว่าอะไรที่อยู่ในบนผืนแผ่นดินบนบกนี่ในโลกนี้เนี่ยเราก็รู้หมดเลยนะมันจะเล็กขนาดไหนเวลาในสัมมาในสัมมาในชั้นฟ้าอาจารย์ดีเดกเขาแปลชั้นฟ้านี่สัมานแปลว่าเวหาเอ่อให้ให้ให้มันดู เออดูดูดไตบิดกหน่อยดูเป็นคัมภีร์หน่อยเพราะคำคาศัพท์ของเขานี่ก็จะอสืสูงสูงนะอ่ะฉันฟ้าฉันฟ้านี่มีมีทุกตำราก็มีฉันฟ้าเวหาอันนี้สันสกฤตเลยนะเนี่ยบาลีเลยนะ dinero. แต่ไม่จำเป็นมากหรอกนะครับที่จะฉันฟ้านี่ก็ได้ อุลมามะที่คัดค้านในะการอธิบายกุรานแบบนี้เอาเอาเอาเอ า, เ อ, าอะไรความหมายร่วมสมัยซึ่งเนื้อหาของมันในสมัยท่านนาบีละสมัมไม่มีหมายถึงว่าหมายถึงว่าในยุคนั้นนะยังไม่มีใครรู้หรอกเรื่องปรมาณูหรืออะไรพวกอิเล็กตรอนโปรตอนอะไรพวกนี้เขาไม่เเคยพบความรู้เรื่องนี้อัลลอ์รู้แน่นอนแต่อัลลอฮ์ดำรัสกุรานเนี่ย ตามสิ่งที่ชาวบ้านตอนนั้นน่ะเขาเูารู้ไงเขาเข้าใจฉะนั้นผู้รู้บางท่านนี่บอกว่าโอ้ไปจะไปอธิบายกุรอ่านในสิ่งที่มันสมัยโน้นนะ่ะท่านนาบีไม่เคยรู้นะมันไม่ควรเราก็เลยบอกว่าเนี่ยอธิบายแบบร่วมสมัยนี้ได้แต่ต้องเป็นเรื่องที่สมัยโน้นเนี่ยเขารู้สมัยโน้นเขารู้แต่ที่จริงแล้วนะ่ะ การอธิบายกุรานด้วยวิธีที่ร่วมสมัยเนื้อหาที่มันร่วมสมัยที่ที่คนเห็นพบเจอในปัจจุบันไม่มีในสมัยท่านนบีเนี่ยถ้ามันไม่ขัดกับสํานวนเนี่ยมันน่าจะทําได้ทำไมอย่างอย่างนี้เพราะอัลลอฮ์บอกว่าจะเป็นน้ําหนักเท่ากับทุลีนะมิซกาลัลจัดนทุลี ولا أصغر من ذلك ولا أكبر และที่เล็กกว่านั้นและที่ใหญ่กว่านั้นเอาเล็กกว่านั้นเล็กกว่าแล้วอองตุลีนี่เล็กเล็กเลเลที่สุดนี่นะมันอาจจะไปถึงอิเล็กตรอนโปรตอนก็ได้เพราะมันเล็กที่สุดไงอะค่าโมเอสเอร์นี่เล็กกว่าเล็กกว่านี่เล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าจนถึงจุดที่มันเล็กที่สุดและอาจจะมีเล็กกว่าโปรตอนเล็กกว่าอิเล็กตรอนที่คนยังไม่ยังไม่พบเจอก็ได้ มันก็จะไม่ผิดถ้าหากว่าสำนวนคุณอ่านนี่มันเ อ, อื้อมันก็จะไม่ผิดถ้าหากว่าสำนวนคุณอ่านนี่มันเ อ, อื้อแต่สําสนวนกุณอ่านนี่มันไม่เ อ, อื้อเช่นนช่วงที่อเมริกาอเมริกาได้อ้างว่าส่งจรวจแล้วก็มีคนมมีนักอวกาศขึ้นไปที่ดวงจันทนระ์น่ะ ในวงการอุลามาโดยเฉพาะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยเกิดข้อถกเถียงมีอุลามาบอกว่าไม่จริงหรอกไอ้ทนนี้เขาบอกว่าไม่จริงเนี่ยไม่ใช่เข้าไปวิเคราะห์ภาพที่หลังนี่ว่าอไอ้ทงนี่ทําไมมันมันพัดได้ไอ้ทงเอ้ทาไมมันมีเงางแบบนี้ไอ้ที่เข้ามาวิเคราะห์กันที่หลังเนี่ดูเหมือนถ่ายสตูส ด, ดิโอของวายชแนลหรือเปล่า ไม่เขาไม่ได้ิเคราะห์ขอ้างตัวบทจากอัลกุรอานอัลล์บอกในกุรอานว่ายามาอัชาลจินะอินซีนิสตมอันฟุธูมินอัควตารอัสเมอวตวัลอารีฟัมฟุูลามฟุูนบุลากรทั้งลายทีอยนโลกนี้ที่มชีวิาอยู่นลกนี่มีวิตอ่ในโกนี้ที่มีชีวิตอยู่ในโกนี้ที่มีชิตอยู่ในโลกนี้ที่มีิตอยู่ในโลกนี้ที่มีชีวิอยู่ลกนี้ที่ม่ได้นี่มวกนี้จะ จะออกได้ไงอ่ะจะออกบนจะออกนอกอาวากาศนอกฟากฟ้าทะลุฟากฟ้านี่ไปอลุลามะจริงปฏิสวก็ไม่จริงภาพลวงอลุลามะกลุ่มนึงบอกว่าเอ้ปฏิเสธได้ไงก็ที่อัลลอฮ์บอกว่าจะออกนอกกรอบฟากฟ้า น, นี่นะและทันฟูดูนะพวกเจ้านี่สามารถออกได้นอกจากว่าจะมีสุลต่านมีอำนาจอำนาจนี่ก็คือยานพาชนะเนี่ยยานตรวจนี่นะี่ย มาอธิบายคาว่าซุนตอนนี่ก็คือจรวดอันนี้มันไม่เอือ้อคือสำนวนไม่เอีอ่ยสำนวนไม่เอือ้อคือถ้าตอนนั้นนะ่ะผู้รู้ที่ปฏิเสธยืนกลางเรื่องเดียวเนี่ยก็คือเออก็คือจะไปถึงดวงจันทร์นี่มันต้องมีหลักฐานชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นจริงถ้ายืนยันแค่นี้เนี่ยมันก็ โอเคในการปฏิเสธนะแต่นี่เอาคุรอ่านมามาแทรกแซงในเรื่องปรากฏการณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องที Border ่ไม่เหมาะหรอกมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่มีในคุฎอ่านที่จะปฏิเสธว่าเออจะไปถึงดวงจันทร์ไปถึงดาวอังคารจะอะไรนี่ไม่มีในคุรอ่านบอกก็ทำไม่ได้ที่จะไม่เกิดขึ้นไม่มีเราจะตีความกุรอ่านตีแบบว่าไม่ใช่ตีเนี่ยบีบคุอ่านให้บีบคั้นให้ ให้ได้ความหมายที่จะหักล้างปรากฏการณ์เหมือนเจ้าของทฤษฎีโลกแบนอะโอโหเคยอ่านไมเยเโลกมันแบนโลกไม่กลมทั้งหลักฐานจากอัลกุรอานทั้งหลักฐานจากอ ะ, อะไรตัวมีอะไรยืนยันว่าโลกนี้ไม่กมลมหรอก แล้วที่แล้วที่เห็นกันในภาพนี้ว่าภาพลวงทั้งนั้นนะ่ะเขาหลอกเราภาพลวงซึ่งจะเอาคุตัานนี่มาเป็นมาถึงแม้ว่ากุตัานนี่มีมีนัคือเอกฉันในอะิมาอิบูไตเมียอิมาวินูฮัสเมียในอ้างเอกฉันของผู้รู้ในปติศาสต์อิสลามว่าโลกนี้กลมแต่ตัวบทในกุตัานเนี่ยมันจะไม่สามารถ ตีความชัดร้อยเปอร์เซนว่าเออโลกกลมเช่นเดียวกันก็คนที่อ้างบางอายะในกุตตานว่าโลกนี่แบนเนี่ยไม่กลมมานะมันก็มันก็นกนกงอ้อมา ม, มันไม่ได้ตรงอ่ะฉะนั้นเรื่องปรากฏการณ์น่ยนะกุตตานี่ไม่ได้มาแก้ไขปัญหาความเข้าใจว่าโลกกลมหรือแบนเ<ะ>พราะโลกจะกลมหรือจะแบนเน่ยนะมันไม่มีผลกับการที่เราจะเข้าสวรรค์หรือเข้านรก อันนี้อันนี้แบบแฟร์ที่สุดนะคุณอ่านนี่มาบอกเราอะโลกนี้จะแบนจะกลมนี่นะคุณก็ไปไปดูกันสิก็ไปวิเคราะห์กันจะจะเอาคุณอ่านมาเป็นบัลลังก์ตัดสินว่าโลกมันกลมเพราะอะไรคุณอ่านบอกว่ามันกลมมันดันนเพราะคุณอ่านบอกว่ามันแบนเอาตกลงกุณอ่านนี่มาจะได้ตัดสินเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะ คุยก um ันทางเฟซด่ากันไปด่ากันมานี่แล้วก็แต่ละฝ่ายนี่ก็มีคุตอาจนนะนะแล้วก็แต่ละฝ่ายนี่ก็บอกว่านี่เนี่ยพวกไอ้มองว่าโลกกลมนี่นะคือพวกที่ไม่เอากุตอานกครเป็นอย่างนั้นซะเลยเฉยเลยอีกฝังนีงก็นั่นว่ามือนกันนะนายไอ้คนที่ว่าโลกแบนนี่เนี่ยไม่มีสมองอ่านกุตอานไม่เข้าใจไม่ใช่คุตอานนี่ไม่นี่คุตอานนี่ไม่ได้มาพูดเรื่องปรตอนอิเล็กตรอน ไม่ได้บูเรณาวิทยาศาสตร์ทฤษฎีของฟิสิกส์กันเลยแต่คุณอ่านเนี่ยเป็นคำภีรแห่งที่ใดอะทางนําที่จะให้มนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตในโลกนี้องค์ประกอบในชีวิตเนี่ยมีวิชาการมีฟิสิกส์มีเคมีมีดาราศาสตร์มีอะไรต่างๆเนี่นะเชิญเลยศึกษาเลยปรากฏการณ์อะไรที่เกิดขึ้นพิสูจน์ได้ยังไงนะเชิญเลยเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ในภาษาอิสลามเนี่ยทำงานในบรรยากาศที่ไม่อึดอัด ไม่กลัวว่าถ้าจะพิสูจน์ว่าโลกกลมโลกกลมนี่นะ <c oughs> ถูกสั่งให้เผาเลยเผาเลย ส, สมัยโน้นนะ่นะนักวิทยาศาสตร์ฝรังนะ่งอ่ะพอเขียนหนังสือว่าโลกกลมอ่ะโลกกลมมานะถูกสั่งให้เผาเลยปรหารชีวิตเลยเขาเขียนหนังสืออะไรเกี่ยวกัวิทยาศาสตร์นี่ต้องแอ บ, บเขียนกันนะต้องแอ บ, บคุยกันนะแอบสบอนกันนะแต่ในพโบสถยไซส์สรไ ม, ม่เคยมีเรื่องนี้เนี่ยเรื่องปรากฏการณ์อะไรต่างๆคุยเลย แล้วไม่ต้องเอาเรื่องกุานเรื่องอะไรนี่มาม า, มาแทรกแซงแล้วก็มาตอบโต้กับคนอื่นนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องมีอย่างเรื่องการที่จะตีความคาว่ามิสกวลาซารตินน้ําหนักเท่ากับทุลีเท่ากับทุเท่าทุลีเราจะตีความว่าเป็นทุลีสีความเป็นอโปรโตอนหรือเอิเล็กตรอนหรือปรามานูมันมันไม่ส่งผลอะไรมากหรอก กับเนื้อหาที่ที่อเลสุภาโนตาเต้องต้องการสื arest, without, outside, er yoga, inside, ่อกับเราก็คือเราทำอะไรจะเล็กจะใหญ่โตขนาดไหนจะเล็กขนาดไหนจะใหญ่ขนาดไหนนี่นะเรารู้หมดนี่คือเนื้อหาสาคัญที่อเลสุภาโนวาตาเาต้องการสื่อกับพวกเราอิลาฟีกิตาบิมโมบิสเพนต่อยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งทั้งสินกิตาบกิตาบนี่ บันทึกซึ่งการบันทึกมีหลายบันทึกบันทึกถาวรอันนี้คือในแม่บทเล่าว่อัลมาูหนังสือแม่อยู่นอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะเล่าว่าอัลมูอันนี้บันทึกทุกสทุกอย่างเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีบันทึก บันทึกกรอุทรคือเป็นการบันทึกให้ปฏิบัติตามนั้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในกุตาเนียลอรีบอกเย ح อม ل ل ลลอฮฺมาเยชาอฺวยุสบิทฺว ت อิอุมุลาอัลจะลบลบอะไรลบ กำหนดการสภาวะต่างๆลบไปหรือจะ ย, ยืนยันว่ายุ่สิทุกหรือจะยืยยนยันว่าอินเหูอุมุลกิตบนะอัลลอฮ์นั้นมีแม่บทคำพีแม่ตำราแม่ลแล้วฮัลมาหุสก็คือตำราที่อัลลอ์ได้บันทึกสภาวะกำหนดการทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในสรรพสิ่งทั้งหลายที่อัลลอฮ์ สร้างหรือไหรือไม่ได้สร้างหรือยังยังจะสร้างทั้งหมดนี่อยู่ที่อัลลอฮฺฮานบอฟุสแต่ที่จะเปลี่ยนแปลงได้นี่หนึ่งบันทึกที่อัลลอฮฺบันทึกไว้กับมาไลกะมาไลกะเขาจะมีกําหนดการของเขาอ่ะคนนี้อายุหกสิบแล้วนี่อาจะเราต้องไปยึดวิญญาณ ไปไปทําหน้าที่ประยึทธ์วิญญาณปรากฏว่าตอนป ร, <sch> <arat> ระย ja ึท <về> ธ <Neither S 1> ์วิญญาณน่ยนะปรากฏว่ามีเปลี่ยนมีเปลี่ยนอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยไม่ยังยังไม่ตายยังไม่ตายทําไมอ่ะไอหมอนี้เนี่ยมันติดต่อเครือญาติมันทําบุญมันทําความดีเนี่ยอัลลอฮ์ให้อายุยืนนานกว่านี้ สิ่งที่ไปได้่องท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัมที่ท่านนบียบกบันทึกในุาร์มุสลิมมน้ําพระองค์ยินเส้าโลว์ในับสัตว ي ر ลห์ในริษฐิฟัลลิ ل าศิลรหิมะผู้ใดต้องการให้อายุยืนนานถูกเพิ่มอายุยุนเสยุนเสเพิ่มอายุคําว่ายินเสเนี่ยแปลว่าเพิ่มในอัธริอุ เอายุบสตารหรือจะเพิ่มพูนฟิริสกีในริสกีของเขาเนี่ยไดนของเขานี่ให้เพิ่มพูนนะนะในโอการิเอซรรมาให้ต <ouais> ิดต่อเคยยากคนที <into> ่ต <Okay. S 2> ั Same ้ง okay. ตั้งข้อสงสัยว่าอจะเพิ <one> ่มอายุได้ไงก็หนว่าอจัลนี่อีดะจะอาจละลุ่มลายจะ ت أ خ ر นัสะะตะหัลสัตอัจัะมาแล้ววะนะจะไปวิ่งเวลาหรือจะเลื่อนไปหน่อยนี่ไม่ได้ใช่ จะไปะวิ่งหรือจะเลื่อนถ้าเป็นข้อมูลของกรรําหนดการที่อยู่อันเล่าฮันมาฟูเซียงนี้ไม่ได้เลยซึ่งไม่มีใครรู้ที่อยู่ในเรื่มันไม่มีใครนอกจากอัลลอฮฺมาลายกาก็ไม่รู้บันทึกเนี่ยที่มีเปลี่ยนแปลงแต่ที่น่าเล่าไ ม, ม่เปลี่ยนแปลงหรือบันทึกที่มาลายกาได้มาบันทึกอย่างฮาริซิบันทึกบุคคลในมุสลิมว่าเมื่อเรา ต่โตในมดลูกของมันดาบางสำนวนฮะดีษบอกว่าสี่สิบวันสามรอบก็คือร2อยี่สิวันแล้วมาลยก็จะมาป่าวิญญาณแล้วก็จะกำหนดริสกีแล้วก็เป็นคนดีหรือคนไม่ดีเนี่ยกำหนดริสกีกำหนดอาจารย์กหนดอะไรทั้งหมดเนี่ยที่มาเลยก็กำหนดตรงนั้นนะนะอันนั้นน่มีอาจจะเปลี่ยนแปลงก็ได้กำหนดว่าจะเป็นคนจน แต่คนนี้เนี่ยพอโตแล้วเนี่ยติดต่อเขายากเ ล, ลาให้เพิ่มริสกีไงอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ขัดกันในตัวบทนี้มันไม่ขัดกันเพราะเราสามารถอธิบายได้ออินนอลิยาอัลลลาฟนะฮิมวะลาหมฮะนนจากเรื่องที่อัลลอฮอยากให้เราได้ทบทวนตัวเองตรวจสอบตัวเองพยายาม เอ่อให้การงานที่เราได้ลงมือทําเนี่ยมีคุณภาพเพราะอัลลอฮ์กำลังเฝ้าอยู่เนี่ยซึ่งคนที่จะอยู่ในสถานะเป็นคนที่เฝ้าการงานของเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดคือจินตนาการของเขานเนี่ยไม่ไม่พลาดเลยที่จะที่จะนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาทําอะไรเนี่ย เราเฝ้าอยู่นะเราเราดูอยู่นะเ ร, เรากำลังตรวจสอบอยู่นะคนใกล้ชิดนี่นะจึงเป็นบุคคลที่จะต้องถูกยกย่องให้เราได้ได้เห็นว่าเป็นโมเดลเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยต้องเอามาเรียนแบบจึงเอ่ยมาทันทนะีหลังจากที่พูดถึงเรื่องให้ตรจสอบตัวเองนะพอเราเฝ้าดูอยู่เฝ้าดูอยู่นะ เอาเละอลให้ฟังนะฟังนะฟังนะอลาอลาเนี่ยเพิ่อนทราบเถิดนี่ฟังนะมานี่นะฟังนะฟังให้ดีนะนี่เรื่องข้อมูลสําคัญนะอินาลิยะอัลลอลาฟุระฮิมลฮุมยฮซูนแทจริงบรรดาคนที่อัลลอ์รักนั่นอาลิยะอันนี้เป็นการตีความเหมือนกันนะอาวลิยะเป้าหพุทธเอกพจทธของมันนี่คืออลี ถ้าบอกคนไทยนี่วอลีไปว่าอะไรหนผมไม่เข้าใจแต่ถ้าเพิ่มเฟอร์นิเจอร์นิดหนึ่งอะนะเขาจะเข้าใ จ, เ, าใจเพิ่มอะไรเฟอร์นิเจอร์โต๊ะวอลีอ๋อเข้าใจเลยคือวอลีอย่างเดียวหนูไม่เข้าใจแต่เพิ่มเฟอร์นิเจอร์นี่เพิ่มโต๊ะนี่ยนะโต๊ะวอลีอ๋อเข้าใจแล้วอ้าวแล้วจะไม่วอลีอย่างเดียวไม่เข้าใจก็นี่ไงเราทับสับอะไรบางอย่างแล้วก็มาเพิ่มเพิ่มอะไรบอย่าแล้วก็นึกเลย วอลีเนี่ยคือหมอคนสอรแรกคนดีคนคนดีเขาขยันทำไมบาดาคนนะซึ่งมันสอดคล้องกับความหมายในภาษาอังนีษวอลีเนี่ยมีสิบกับความหมายในภาษาอังกฤวลีแปลว่ายากวอลีแปลว่าผู้ช่วยเหลือวอลีแปลว่าคนที่มีอํานาจมีบารมีวอลีคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมเพื่อนสนิทสนมหลายความหมาย เอ่นคัว่าวลีอยูลอวลีของอัลล์นี่คือคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอ์อัลล์บอกว่าบรรดาวลีของฉันนอะไรอินอาวลยาอัลลอฮิชวลีคนเดนเอาลียาบรรดาวลีของอัลลอฮ์คนที่เป็นวลีของอัลลอ์นี่นะละขัฟุนอลฮิวะลาฮุมยาฮนนเขาจะไม่มีความหวาดกลัวใดๆ แก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเขาไม่กลัวและไม่เสียใจโอลมาบางท่านหรือส่วนมากเนี่ยอธิบายบอกว่ า, วาเขาจะไม่กลัวในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหม่ทั้งมวลในวันเกีย่ยมาและจะไม่เสียใจในสิ่งที่ผ่านพ้นไปในโลกนี้ อวลีขออัลลอฮ์คนใกล้ชิดขออัลลอฮ์นี่เขาจะไม่รู้เสียดายอะไรเกี่ยวกับโลกนี้เนี่ยไม่เสียดายมันผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่เสียดายแล้วคอายกตัวอย่างของลีเนี่ยที่อัลล์ سبحانه แะ تعالى พูดถึงเขาเนี่ยอายะที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้พูดถึงคนที่เนียเนในห่นเองอัลลอฮ์อินนแหละท็ัลลอฮามส บรรดาผู้ที่ประกาศว่าเราคือพระเจ้าของเราและเขายืนหยัดตามตามคำนี้ตามคําประกาศนี้จะจะนั่งจะลุ่มเลยมุลมาลาอิกะก่อนนี้จะตายนะกายจะตายแล้วแต่ยังไม่ตายมาลาอิกะนี่จะเสด็จลงมาแล้วก็พวกนี้เห็นมาลากะพวกนี้เห็นมาลากะผู้ศรัทธา มีสิทธิ์ที่จะเห็นมาเลยกาขณะมีชีวิตก่อนวันกียมาเลยะเดนที่อัลลอจะให้บางคนเห็นมาเลยกาเป็นเป็นเลยทราบะ่ามีมีรายรงานชัดเจนว่าทราบว่าก็เคยเห็นมาอลย์กาแต่จะไม่เห็นมาเลยกาในรูปร่างที่แท้จริงของมันนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดสลัดละซาร์แลนบีบางท่านนบีได้เห็นมาเลยกาอย่างท่านจิบรลตามรูปร่างของท่านจิบรล แต่เราจะเห็นอะไรก็ที่แปลงร่างเป็นไปได้แปลงร่างเป็นเป็นแสงประที่เป็นเมฆเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งสหาบ้านได้เห็นท่านยิบรีลหลายครั้งเลยแปลงร่างในรูปร่างของสหาบ้านบางท่านในในวิญญก็ยิบรีลแปลงร่างเป็นคน แต่นี no ่อ ah ัลลอฮ์บอกว่าแต่แ่น้าจรลออฮิมูลมาลย์เขาจะเห็นมาเลย์ก็คือเขาจะรู้ว่านี่คือมาเลย์กันใน hadis บัณฑิตีมาอุมัดเนี่ยได้บอกว่าเขาจะเห็นรูปร่างของมาเลย์กันในหน้าตาที่อหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ในรูปร่างจริงของมาเลย์กันหลักฐานไม่มีบอกแต่เป็นไปได้ ว่าก่อนที่จะตายนี่นะเป็นไปได้ที่อัลลอฮุ سبحانه และจะเปิดม่านในสิ่งที่ดวงตาของเราเนี่ยไม่สามารถเห็นได้ในยามปกติเพราะเขาบอกว่าช่วงก่อนตายอะนะมันก็เหมือนช่วงหลังตายใน ในกรรมัดหรือในสิ่งต่างๆที่มันผิดวิสัยช่วงก่อนตายเราสามารถเห็นคนก่อนตายอันนสามารถเห็นในสิ่งที่คนยังไม่ตายอันนยังไม่ใกล้จะได้นะมองไม่เห็นนี่เป็นไปได้คนนี้ใกล้จะตายนี่เห็นมาอะไรกันคนที่อยู่ ร, บรอบๆเขานี่นะไม่เห็นนี่เป็นไปได้เพราะคนคนที่ตายแล้วนะทุกคนน่ะ แม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมทคนเนี่ยนอาวัยอของเขานี่จะทํางานในรูปแบบที่ไม่เหมือนตอนก่อนตายอัลลอฮฺบอกในคุรานฝักกษัฟในอันกะฮิตาะักบาซารุกะเลียวมะฮัดีหลังจากที่เจ้าตายแล้วเนี่ยโอมนุษย์หลังจากที่เจ้าตายไปแล้วนะเราได้เปิดม่านแล้วฝับาซารุกะเลียวมะฮัดีสายตาของเจ้านี่แข็งแกร่งมองทะลุปูโปงแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็น ถึงขนาดที่คนดีเนี่ยสามารถที่เห็นตําแหน่งของเขาในสวนสวรรค์ได้คนไม่ดีนเนี่สามารถเห็นตําแหน่งของเขาในนรกก็ได้การมองเห็นนี่มันมันคือสิ่งที่มันปิดวิสัยไม่ไม่เหมือนคนคนที่มีชีวิตฉะนั้นก่อนนี่จะตายนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเห็นอะไรกะแต่แต่นั่นจะลงอะไระม า, า, า, าอะไรก็จะลดลงมาอัลลอฮฺตะคราฟุอะลาดะสุมาอะไรก็จะบอกว่าอย่ากลัวลรอย่าเศร้า ไวล้วจหนหอย่ากลัวและอย่าเสียใจนี่สอดคล้องกันน ะ, สะแสดงว่าบรรดาวลีของอัลลอฮ์นี่หนึ่งในคุณสมบัติของเขานี่นะอสกาหมูเขาต้องยืนหยัดยืนหยัดมีความสม่ำเสมอในคุณงามความดีที่เขาได้ทำเพื่ออัลลอ์สุภาหนาหัวตาหรือ การที Armen, minimal, ้เขาไม่กลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในวันเกมะหรือไม่เสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี้อันนี้สําหรับอันนี้กําลังอธิบายสภาพของเอาัลเลาะห์นี่ก่อนตายือก่อนตายนี่เขาจะบอกวโอ้ในโลกนี้เนี่ยเนี่ยวมีบ้านมีรถมีนเขาไม่เสียใจหรอกจะอําลาโลกนี้แล้วก็จะทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งเมียทิ้งบ้านทิ้งนู่นเขาไม่เสียใจ เอาแล้วจะไปนี่ไม่กลัวหรอเดี๋ยวไปวนเกียร์มาเดี๋ยวเจอนู่นเจอนี่ยุ่งแล้วนะเอาไม่กลัวอธิบายเฉพาะสภาพก่อนตายสมมุติว่ามีอวลีของอ l l a h คนหนึ่งอายุเจ็ดสิบปีก่อนตายนี่อามาป่วยสักสมมติสักปีหนึง่งอะนะก่อนตายรู้แล้วว่าจะตายเนี่ปีหนึ่งรู้แล้ะมีเมืม่อคนนี้นบอกว่าก่อนตายปีหนึ่งรู้แล้วว่าจะตายมีมีคนรู้อะไรบ้างกันเนี่ย ป่วยครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนทุกครั้งบางคนนี่จะรู้ตัวเลยรู้ตัวเลยว่าไอ้ป่วยคราวนี้นี่คือน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วแล้วที่เหลือในชีวิตล่ะไอ้ปีหนึ่งก่อนตายนี่นะเขาจะไม่เศร้าและไม่กลัวแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยห้สิบปีเนี่ยเป็นวลีของอัลลอฮฺแท้ๆเลยนะกลัวและเศร้ากลัวและเศร้าไหม เช่นเดียวกันอัลลอฮฺมาจึงบอกว่าหมายถึงว่าไม่กลัวไม่เศร้านี่นะหมายถึงว่าชีวิตของเขาทั้งชีวิตเนี่ยเขาจะกลัวอะไรไหมแต่มีอะไรเขาไม่กลัวนอกจากอ่านร้องไงเขาจะเสียใจยอะไรไหมอะไรถ้เป็นโลกดุนยาเนี่ยนะเไม่เสียใจยแต่เสียใจเร่พลาดไม่ได้อ่านวิริคุรานพลาดไม่ได้ละมา่สุบโบรี่อันนี้เนี่ยเสียใจแน่นอนผู้ศรัทธา กระจกกระจอกเนี่ยเขาก็เสียใจระดับอวลีเนี่ยจะไม่เสียใจได้ยังไงผู้ศรัทธากระจอกกระจอกนะถ้าพลาดความดีเนี่ยเขาก็เสียใจดิแต่ที่ระดับวุลีวุลีเขามีโอกาสที่เสียใจเรื่องพลาดความดีหรอกเพราะพวกนี้เขาไม่พลาดถ้าระดับวลีนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงพวกเราเราพวกเรานี่พวกเรานี่คนหรือนึกว่าตัวเองเป็นวุลีอ่ะ ในบางคนในบางคนนี่เกิดตัวเเป็นวอลีนิสร้างสร้างมาก่อมให้ตัวเองแล้วสร้างมาสัสยิดใหญ่โตแลว้วก็ซื้อหินอ่อนไว้อย่างดีแล้วเนี่ยซื้อหินอ่อนอะไรเยอะแยะนี่นี่ยจะได้สร้างมากรมตรงนี้ในเก่าตัวเองเป็นตตวอลีที่จริงเนี่ยคนที่จะเป็นโตวอลีนี่นะไม่ใช่เรื่องยากเพราะอัลลอฮฺได้บอก ข اء, ขเขมมระว่ลีนอ ว, วลีอาอาลียอลลานีาะวะลิห์วลิห์ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะกะะะะะะะะะะะะะะะยะะะะะะะะนีนนะะะะะะะะะวะะนะะะเะะะะะะะะะะะนะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะนะ้ะะะะะะะะะะ แต่ต้องเข้าใจศรัทธานี่ความศรัทธานี่มีหลายระดับไงตะก u านี่ก็มีหลายระดับไง น, นั้นหมายรวมว่าถ้าเราศรัทธาระดับที่ต่าที่สุดที่สามารถเรียกว่าผู้ศรัทธาและมีตะกว a ที่ต่าที่สุดที่สามารถเรียกว่ามีตะก ua งั้นก็เป็นวลีแล้วใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นน่ะนะโอ้โ วอลีชนกันเเนี่เสื้อยับเลยเนี่ยเดินวอลีบันดาวอลีนโอ้โหบนรถไฟฟ้าเนี่ยเละเยอะไปหมดเลยวอลีเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไงเป็นไปไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ศรัทธาในขั้นขั้นสูงอ่ะขั้นสูงนี่ทําให้เขานี่ใกล้ชิดกับจึงถูกสถาปนาว่าเป็นวอลียุนลหรอ เป็นคนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบไรเราอนี้ทั้งเป็นเรื่องที่ให้กำลังใจกับทุกคนว่าการเป็นวลีเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเหนือความสามารถนะไม่มันอยู่มันอยู่ใกล้เอื้อมความความสามารถเป็นผู้ศรัทธาเป็นความทำได้ไหมทำได้แต่อยู่ที่เราจะขยันแค่ไหนแค่นั้นแหละให้ความหวงนึแล้วให้เราได้ มองถึงตำแหน่งนี้เนี่ยกว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องเคารพต้องต้องต้องเกรงใจหน่อยทำไมอะวลีอยู่คนใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มันไม่ใช่มใ Allah, มไม่ใช่คนใกล้ชิดก็ม่ากั่คนธรรมดาธรรมดาเนี่ไม่ใช่อะไรทิพซิต้องเกรงใจหน่อยแต่ถ้าเราเห็นเห็ น, หนคนนี่นี่ว ล, วลีอยู่หรอนี่นะวลีอยู่หอเหมันพวกซูฟีเนี่ยเพราะว วอลีเนี่คือคือคนที่นึกถึงอัลลอฮ์นี่ยตนบ้าไปเลยบ้าไปเลยเดินแก้ผ้าเดินแก้ผ้าไม่อาบน้ําไม่ละหมาดนี่เนี่พวกนี้ในวอลีเอาเลีอ่อนล่อนเออซูฟีนี่ก็มีความคิดแบบนี้นะแล้วเขาจะาคือภาษาอาหรับเนี่ยคนบ้านเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมัจญูนใช่ไหมเปาปดของมัจญูนนี่คือ มจัมจแนนินมัจแนนินมัจแนนินคนบ้านะเขาบอกว่าไอเนี่ยไอคนที่เดินแก้ผ้าไม่อาบน้าแม่เนี่ยอยไปเรียกเขามัจนนินอย่ไปเรียกเขาคนบ้านะเขาไม่ใช่มัจแนนินเขามัจดีบมัจีบมัจีบนะะี success, ita, me, ่เตเอกนของมันนี ishes, e. ่ยมัจบมัจซูบนี่หมายถึงว่าพวกนี้เนี่ย ถูกดึงมีเม่เหล็กที่ดึงมันจนมันหลุดจากโลกนี้หลุดจากโลกนี้มันไม่ได้คิดเหมือนมนุษย์ทั่วไปมันไม่ได้แอบมันไม่ไไม่ได้ไม่ได้ใ ช, ช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วไปเพราะอะไรเพราะสมองของเขาเนี่ยได้ถึงจุดที่สมองคนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นคิดไม่ได้คิดไม่ถึงหรอกนี่พวกนี้เนี่ยพวกถูกดึงมาจะดีบซูวีเนี่ยคิดแบบนี้ ผมว่าถ้าเป็นวอลิยูร์ล้อลเป็นแบบนี้เนี่ยนะไม่อยากเป็นวอลิยูร้าสุภวอลิยูร์ล้อลจะต้องเป็นคนบ้าแบบนี้เนะี่ยเดินแก้ผ้าเลไรถึงจะถึงจะเป็นวอลิร์ไม่เอาก็เดยเหตุผลว่าหลักการศาสนานี่และกกคือพื้นฐานนะา เ, ลลาเนี่ยนะผู้ศรัทธาและยำเกรงอัลลอฮ์นี่คือผู้มีสติแน่นอนแน่นอนทําไมอ่ะเพราะคนนี่ไม่มีสตินี่นะเขาไม่ต้องการเป็นผู้ศรัทธา ไม่ต้องการเป็นวัวลีจะได้เข้าสวรรค์คนบ้านนี่นะเข้าสวรรค์ทางด้วนเลยนะคนบ้า น, นี่นะไม่มีนะไม่ต้องมายึดยักบนเสรอดไม่ต้องมาชั่งน้ำหนักไม่มีคนบ้า น, นี่ทั้งหมดนี่นะก่อนที่จะบรรลุศา ส, สนาภาวะนีะ่นะบ้ามาตั้งแต่เด็กเนี่ยวันเกียร์บ้า น, นี่นะเชิญเข้าสวรรค์าาก็ต้องดูว่าก่อนจะสิมนี่ไปทําอะไรมา เขาบอกว่าต้องดูถ้าก่อนก่อนที่จะบ้านี่คือบรรลุศาสนาไปแล้วแล้วก็มาบ้าทีหลังเนี่ยก็ดูก่อนที่ก่อนที่จะขาดสติเนี่ยเขาอยู่ในสภาพที่อะไรที่ดีนะแสดงว่าก็จะคือปิดปิดแฟ้มด้วยดีแต่ถ้าก่อนที่จะบ้าเนี่ชั่วไปะนะอ่านปิดแฟ้มด้วยปิดบัญชี <laughs> แบบไม่ดีเนี่ยก็เออก็ก็ต้องแยกเงินนี่นนอามานัวกา้าเนื้อตรกูลเขาศรัทธาเลายฮัเกรง พื้นฐานเนี่ยสถางต้องมีสติดิเพราะถ้าไม่มีสตินี่เนี่ยเขาไม่ต้องศรัทธาแล้วไม่ต้องยังเกรงด้วยจะได้เข้าสวรรค์ไม่ต้องทำไม่ละมาดนี่อัลลอฮ์ก็ไม่เอาเรื่องกับไม่ละมาดเลยน่ะอย่าว่าจะตะกัวนะไม่ละมาดไม่ถือสื้หนวดไม่อ่านกุศอ่านนี่เข้าสวรรค์คนบ้านที่ทำความชั่วนี่อัลลอฮ์ก็ไม่เอาผิดกับเขาแสดงว่าจะมีประโยชน์อะไรอ่ะถ้าศรัทธาและยังเกรงมีประโยชน์ดิอันนี้อัลลอฮ์กำลังพูดถึงคนที่มีสติ ที่สามารถเลือกระวังดีกับชั่วเลือกดีเลือกกว้ยำเกรงหรือไม่ยาเกรงแต่เลือกทียมเกรงเลือกจะศรัทธาหรือปฏิศรัทธาเลือกศรัทธาเลือกได้และเขาเลือกในสิ่งที่อัลลอฮ์เรียกร้องเชิญชวนนั่นนะวิลีและไม่ได้แบบว่าศรัทธาประเดี๋ยวปะด๋าศรัทธาเรื่องเรื่องธรรมดาธรรมดาเฉยๆแบบเนี้เหมือนคนทั่วไปศรัทธาแบบขั้นสูงมีมีขั้นสูงของความสรัทธแต่ว่ากุลกันอินนาบะฮ์เริง เรื่องมอบหมายเรื่องอะไรหลายอย่างที่มันเป็นขั้นสูงของบรรดาอุสุทธะนี่นะคือบรรดาวลีของอัลลอฮฺสุบไบร์ตแต่วลีเนี่ยเขาจะไม่เศร้าแล้วก็ไม่กลัวนะไม่ใช่เฉพาะก่อนตายนะที่จะได้ข่าวดีจางมาเลยก็ไม่คือชีวิตทั้งชีวิตท่านนาบีได้บอกในบันทึกของอบดุดาวดหะดิษนีะดษนี ดีมากเลยนะเราควรควรที่จะรับรู้แล้วก็ผมก็เลยต้องมาอ่านให้พี่น้องทั้งหมดหาดีษยาวหน่อยอินเนมินอิบะดิลลาหิฮาะดุลตุยอับดุวาซิฮ์อัลบาเนบอกเป็นฮาดิษซอฮียแล้วบางเอิญมันเกี่ยวกับอายะที่เรากำลังอธิบายอยู่ด้วยนบีบอกว่าอินเนมิอิบาดิลลาฮอินแทิมินอิบาดิลลาในบรรดาบ่าวของอัลลอ์นี่และอุน่าสมีคนบางคน م ม่ผู้เ ب ็นอัลเบียะพวกเขามันไม่ใช่นบีว่าช่ช้ษาด้า่ช่ชูเหตีที่จะชนพระองค์ระบุรุษมายักบุตรของอัลเบียะและชู้ษาด้ ل แต่บรดบีและ้เขาจะอิจฉาันอิจฉาพวกนี้ยามลัคนี้ในวันลัคนี้มี مكان มในอ م ล ا อ ل ิต้าัลลด้วยสถานะและตาแหน่งใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะล رسول الله บอกับท่านนาบีว่าตุคบิรุณามันหุมทานบีได้โปรดบอกบอกพวกเราด้วยว่าพวกนี้เป็นใครอ่าใครที่เขาอยู่ในตําแหน่งที่บรรดานบีและชัยเนี่ยถึงขั้น น, นี้จะอิจฉาเขาอ่ะกลาและท่านนาบีได้บอก um ว, ว่าหุมก้ามุนตาฮาบูบิรุห์อิเลยชนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เขารักใคร่กันด้วยวิญญาณดวงวิญญาณของอัลลอฮ์สุภาหมายถึงว่ารักเพื่ออัลลอฮ์นั่นแหละเป็นสนํานวน เขารักใครกันเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูตะละอเลาะยิริอับหามิมไบณฮุมโดยไม่มีสายเลือดไม่มีความเป็นเครือญาติผูกพันระหว่างพวกเขาวัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอันลอฮฺอัลลอฮฺันลอฮฺอัลลอฮฺอัลนอฮฺอัลลอฮฺอัลล้ฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอั อยูันนั้นเขาจะไม่กลัวขนาที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาจะกลัวแสดงว่าแสดงว่าในชีวิตปกติของเขาเนี่ยเวลาคนเขากลัวกันนะนะตรกนี้เขาจะไม่กลัวผมนึกถึงแผ่นดินไหวที่ตุรกีอ่นะมันมีภาพที่กล้องวงจรในมัสยิดเนี่ยได้ได้ถ่ายภาพ ช่วงที่คนอินโดก็เคยมีคนนึกกำลังละหมาดพอเกิดแผ่นดินไหวอะนะเห็นไหมมีคนหนีไปเลยออกจากละหมาดหนีออกไปเลยแล้วก็มีบางคนคยังหนักแน่นยังละหมาดอยู่อ่ะผมว่าเขาตัดสินใจล้วรู้แล้วว่าแผ่นดินไหวท่านก็จะไปไหนล่ะ ถ้าตายขณะละหมาดในแผ่นดินไหวอ่ะนะมันคงจะดีกว่าไหมไอ้คนที่มีความคิดแบบนี้แล้วตัดสินใจอะไรแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนียาไม่กลัวเขาจะตายตอนนี้เนี่ยนะโอ้ยอดเยี่ยมเลยดิตายขณะละหมาดนะ่ะยอดเยี่ยมเลยจะหาจังหวะแบบนี้เนี่ยยากเหลือเกินนะนะและข้อพูในอิยาขาวันเนสะเมื่อคนเขากลัวกัน เขาภวะกันนะพวกนี้เขาจะไม่กเขาจะแน่นวะนูนะันสละเมื่อคนเขาเศร้าโศกกันเขาพวกนี้เขาจะไม่ไม่เศร้าไม่เสียใจว่าี ر أ هذه ا ل آ ي ا ل ل ه ถ้าเราเนี่ดในหลักการที่อลลออธิบายคุรานี่ได้บอกว่าดีที่สุดในการอธิบายคุรานีอธิบายคุรานดย hadis hadis นี้มาจาก นบีได้อธิบายว่าวาลีของอัลลอฮ์ที่เขาไม่กลัวและไม่เศร้านี่ก็หมายถึงว่าสภาพชีวิตของเขาเนี่ยเมื่อคนผู้คนเขากลัวกันน่ะพวกนี้เขาไม่กลัวหมายถึงว่าไม่กลัวในสิ่งที่คนเขากลัวกันน่ะกลัวอะไรสิ่งที่น่ากลัวกลัวจนกลัวอำนาจกลัวการข่มเหงกลัวกลัวอำนาจเมื่อที่จะบังคับทาความชั่วเขาไม่กลัวเะไคนเขาเสียใจ เสียใจอะไรที่พลาดของโลกนี้พาดที่ไม่ได้อาชีพที่มีไรายได้สูงก็เขาไม่เสียใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขานี่ว่าเขาจะกลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวและจะต้องไม่พลาดสิ่งที่อัลลอฮ์สุภาโนวะดาและพอพระทยชีวิตของเขาจะต้องเป็นแบบนั้นเราจะได้ถึงจุดนั้นนะเป็นวลีของอัลลอ์ที่ไม่กลัว และไม่เศร้าเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีมันต้อ ง, ม, ม, องมันต้องเข้ายิมทุกวันต้องมีเอ็กซเซอร์ไซส์ต้องฝึกฝนคนดาวนี่ไม่ได้เกิดมาจากมดลูกมดลูกมันดานี่ เกิดมาเป็นเวลีไม่กลัวไม่เศร้าไม่ใช่ทุกๆปัญหาในชีวิตของเรานี่นะมันเป็นบททดสอบที่ผู้ศรัทธาสามารถฝึกฝนและตรวจสอบตัวเองช่วงโควิดเห็นไหมขณะที่ปิดแมสกันนี่นะแต่ดูดวงตาของคนคนนี้ขเขากลัว กูกลกูอะไรอ่ะกูตายดิกูตายช่วงโควิดนี่ตอนนั้นนะกลัวจะสอนจะบอกอพี่น้องตายในขณะโรคระบาดนี่ชฮีดนะเว้ยน้องกลวงกันเฮ้ยตายโรคระบาดนี่ชฮีดนะมั น, มนแล้วแลโอกาสมหายากันนะ อตายเนี่ยคือโรคระบาดนี่กว่าจะเจอเนี่ยเขาบอกว่าทร้อยสองรอยปีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันโอ้แล้วจะมาเจออีกครั้งหนึ่งจะเจอคูิอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหรนะ่ไม่ได้บอกว่าอ๋อโอ้ไทยอย่างนั้นนะนะถอดแมสเลยเนะี่ยไปเลยขอให้เจอแล้วกันนะโควิดเอ้ยเรามานานไม่ใช่หมายถึงว่าเราก็ทําหน้าที่ในการรักษาตัวเองเพราะนี่หลั ก, การศาสนาก็มี อีกมุมหนึ่งของคําสังสอนอิสลามนี่ว่าให้รักษาให้ป้องกันเหมือนกันแต่ไม่ได้ทําในทางที่เออขู่ผวากลัวไม่ไม่ต้องคุยไม่ต้องเจอใครไม่ต้องออกนอกบ้านไม่ต้องอะไรไม่ต้องขันัดไม่ต้องคืออย่างที่เราได้เห็นกันใ น, ในช่วงวิกฤตของโควิดเนี่ยออจะกลัวโควิดนี้มากกว่ากลัวหรอทาไมอ่ะ ในช่วงโควิดนี่ในช่วงในช่วงเทศกาลเขาเรียกอะไรอ่ะโออะไรวันอะไรมรณะนะช่วงวันในทิศกาลนี่ก็คนตายเยอะอ่ะฮะเขาเรียกอะไรนะอะไรช่วงอะไรมรณะรถที่เมาขับกันตายกันอะเจ็ดวันอันตรายอ่ะนะไม่ใช่มรณะ ปรากฏว่าช่วงโควิดนี่ไม่มีใครตายเลยอะเออในช่วงโควิดนี่ไม่มีใครตายเลยในช่วง7วันอันตรายเนี่ไม่มีใครตาย <c oughs> อยู่บ้านอยู่บ้านคนก็กบอกว่าโอ้โหแต่เมืองไทยนี่มีโควิดแบบนี้เนี่ยทุกช่วงปีใหม่ก็ได้นะไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องตลอดนะ <c oughs> ช่วงปีใหม่นี่เมืองไทยนี่มีก็บอกจะดีไม่น้อยนะก็หมายถึงว่า ก็โควิดนี่ยเอใหม่ไม่กินเหาไม่ยุ่งกับเพื่อนฝูงไม่อะไรนี่ไม่ไม่ไม่ไม่ทำอะไรไม่เสี่ยงอะไรเลยใช่ไหมแล้วทำไมมีโควิดล่ะกลัวโควิดมากกว่าหระกลัวมะเร็งมากกว่าหรกลัวกลัวสิ่งเลวร้ายต่างๆที่มันจะกระทบสุขภาพกระทบชีวิตเนี่ยมากกว่าที่จะกลัวหรอเอาลยะอุลล่านี่เขาไม่เป็นแบบนั้น คนเขาผวากันเขากลวแลเขาเขาอย่างนิ่งๆก็ทําตามมาตรการอะทุกอย่างนั้ะทุกอย่างเพราะเอาเรียกอัลลอฮ์นี่คือเขาไม่โอ้ฉันแต่ฉันแต่เป็นวะลีของอัลลอฮ์นี่ฉันไม่กินแล้วไม่กินไม่ดื่มทําไมอ่ะดูอัลลอฮ์เขาจะจัดการให้หมดอาหารนี่มาจากสวรรค์เลยมาอะไรก็จะมาเสิร์ฟให้ไม่ไอ้วแบบนี้จริงๆคนนี้คิดแบบนี้นะ ไม่พวกวอลลีนี่เขาก็ต้องทำมาหากินงหมนันนะ่ะทำมาากินดินดน้นรนเหน็ดเหนื่อยเงือออกงนะหมอนกันนะ่ะวลี่นี่เขาติดเหนื่อยเหมือนกันน่ะไม่ใช่ว่าคนประเภทที่บอกว่าอ๋อนอนตื่นมามีสตงเยอะว ล, วลียุลอนี่เาหลอเาหเทคแคร์เาดูลลาแ ล, ล ไ, ไม่ใช่เลยพวกนี้ยิ่งขยันหาไรายได้ที่หลาไา้มากกว่าคนอื่นเขาไม่ทำงานเหมือนเราเราทำงานอะไรก็ได้เลยได้ อาลียอัลลานี่เขาละเอียดอ่อนมากในเรื่องใดได้ใดได้นี่อันนี้ฮ ล, ล, ลาลบาทนึ่งแม่บาทนึงมีชุบานนี่ก็ไม่เอาระดับเอาเลียยอัลลอนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้ตั้งใจว่าจะอธิบายถึงหกสิบสี่ซึ่งเป็นอายะที่มีความสำคัญเหมือนกันเพราะพูดถึงเรื่อง สิ่งที่เราะจะมอบให้แก่บรรดาวลีในโลกนี้ก็คือเรื่องข่าวดีและหนึ่งในข่าวดีที่ที่จะได้ในโลกนี้ก็คือรุกยาเรื่องฝันดีเป็นฝันที่มาจากอาลัลลอฮ์เป็นส่วนหนึ่งในสี่สิบสี่ส่วนของความเป็นนบี จะได้เป็นนบีเนะต้องมีสี่สิบสี่อย่างซิ่งไม่มีใครที่จะสามารถได้สี่สิบอย่างนอกจากที่อัลลอฮ์ประสงค์แต่อัลลอฮ์ยังให้มีบางส่วนนี่นะที่คนสามัญชนเนี่ยมีได้แต่เขาจะไม่ได้ทั้งสี่สิบสี่ส่วนได้แค่ส่วนเดียวสองส่วนหนึ่งในนั้นนะ่ะของส่วนสัดส่วนของนบีละสุ น, นี่คือฝันรุยาที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้บันดาลให้นี่อายะหกสิบสี่ เวลาไม่พอแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าอยากจะให้อธิบายได้ถึงประมาณ4ี่ห้าทุ่มนี่นะต้องยกมือกันเป็นอิสมาเนี่ยแล้วผมจะผมจะไม่มีใครยกมือแน่นอนย่าละผมแบตก็หมดแล้วด้วยครับฝากเพียแค่นี้นะครับวอสสุลลัลลอฮุอะลัยิวะสัลลมุฮัมมัดีนุฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมมีคำถามไหมครับ ก็มีเชนปฏิบัติการยกอนุพจน์อ่น า, อามนมาเป็นหลักฐานซึ่งในประเรียนร่วมสารสมัยนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าในปริเนียเราสามารถยกได้หรือปฏิเนียนไสามารถยกได้ที่ทั้งหมดนี้ที่ผมพูดตะกี้เนี่ยคือสําหรับคนที่คนที่กําลังลงมือแตฟเซียรอธิบายกุณอ่านนี่ก็หมายถึงว่า ค, คนที่ครบองค์ประกอบเงื่อนไขของผู้อธิบาย มุฟสิร์ไม่ใชคนทั่วไปไม่ใช่คนคนทัไปไม่คนที่เพิ่งอ่านคุตอ่านแลแ้วก็จะมาตีความเองเรื่องร่วมสมัยอะไรไม่เขาต้องมีเครื่องมืออื่นๆในการอธิบายกุตอ่านเรื่องภาษาเรื่องอะไรหลายอย่างเครื่องมืออื่นๆของมุฟัสซิรคขอคนผู้อธิบายกุตอ่านนะครับไม่มีคนทั่วไปนะครับ ي ُ د ي ن ك ا ن ي ن ك ر ْ ز ب ح ا ن ك ا ل ل ه م ب ح م د ك ش َ و ا ل ل ه ّ ي ل ه ا ل َ أ ن ت س ت غ ف ر ك و ا ت و ه ل ي ك و ص ل ى ا ل ل ه ع ل ى ن ب ي ن ا م ح م د و َ ل ى ا ل َ ه و س َ ب ي س ل م و ا ل س ل ا م ع ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه